จิตตคาาบดีชาวนาครมชิกาสนเห็นพระมหานามะเทระหนึ่งในจำนวนพระปัญจวัคคีเที่ยวบินธบาตอยู่เลื่อมสายในอริยาบทสมณะาสารูปของท่านจึงรับบาตรอาราธนาเข้าไปสู่เรือนของตนอังค่า ด, ด้วยอาหารอันประนีตเมื่อเสร็จภัตกิจแล้วได้ฟังธรรมกถาแล้วบรลุโสดาปติผลมีศรัทธาไม่หวั่นไหว ไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยเรื่องความเชื่อในคำสอนของพระาศาสดามีความประสงค์จะถวายอุทยานอัมพาตกวันของตนให้เป็นสังฆารามที่พักอาศัยบำเพ็ญสมณธรรมของสาวกแห่งพระาศาสดาจึงหลั่งน้ำลงในมือของพระเถระถวายสวนนั้นอุทิศสง์ซึ่งจรมาจากจตุรทิตขณะนั้นเองปถีแสดงอาการหวั่นไหวเป็นเครื่องบอกเหตุว่า พระพุทธศาสนาได้ตั้งมั่นแล้วจิตตกคหาบุดีผู้พั่งพร้อมด้วยศรัทธาและโภคะได้สร้างวิหารใหญ่ในอุทยานเพื่อสงฆ์ซึ่งจรมาจากทิศ ท, ทั้งปวงเป็นผู้มีประตูเรือนเปิดแล้วสำหรับสาวกของพระาศาสดาครั้งนั้นพระสุธรรมเถระเป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดที่จิตตคหาบุดีสร้างถวายนั้นฝ่ายพระอัครส า, าวกทั้งสองคือพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะได้สดับเสียงสรรเสริญคุณของจิตตะกหบดีมีความประสงค์จะสงเคราะห์ให้ประสบคุณเป็นอันมากจึงเดินทางไปสู่นครมัชิ ก, กาสนกหบดีทราบการมาของพระอค拉สาวกทั้งสองปราโมทเป็นที่ยิ่งเดินทางไปต้อนรับในระยะกึ่งโยธพาท่านผู้ประเสริฐทั้งสองไปสู่อารามของตนกระทําอาคันตุกะวัดเป็นอย่างดี แล้วอ้อนบอนพระธรรมเสนาบดีว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไข่ฟังธรรมหากไม่เป็นการลำบากแก่ท่านแล้วขอได้โปรดแสดงธรรมสักหน่อยหนึ่งเถิดดูก่อนอุบาสก พ, พระธรรมเสนาบดีกล่าวอาตมาภาพทั้งสองเดินทางไกลามาเน็ดเนื้อยเหลือเกินแม้ปรารถนาจะแสดงธรรมแก่ท่านให้มากสมศรัทธาของท่านก็คงทําไม่ได้ในเวลานี้ขอท่านฟังสักหน่อยหนึ่งก่อนเถิด เมื่ออตมาภาพทั้งสองหายเหนื่อยแล้วจกแสดงธรรมแก่ท่านโดยพิสดารพระคุณเจ้าธรรมกถาของท่านผู้เปรปานพระศาสดานั้นจะมากหรือน้อยไม่สำคัญมัทรววาจานั้นย่อมเหมือนน้ำอมฤตเมื่อพระธรรมเสนาบดีแม่ทัพธรรมแสดงหลักคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาจบลงนั่นเอง็หาบดีได้บรรลุอริยผลชั้นอนาคามีเป็นผู้ไม่กลับมาสู่โลกนี้อีก ท่านปราปลื้มเป็นนักหนาที่ได้ลิมรสอมตะธรรมที่สุ ข, ขุมลุ่มลึกถึงป่านนี้ท่านผู้เจริญพุ่งนี้ขอท่านและพระผู้เป็นบริวารได้โปรดรับภิกษาที่เรือนของข้าพเจ้าด้วยเถิดก็ฮบดีอาราธนาพระมหาสาวกรับนิมนต์ด้วยดุษเนีแล้วก็ฮาบดีจึงนิมนต์พระสุธรรมเถระภายหลังว่าท่านขอรับแม้ท่านก็ขอนิมนต์ไปกับพระอค拉ส า, าวกด้วย มานะแห่งเจ้าอาวาสเกิดขึ้นแก่พระสุดธรรมว่าเราเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่แต่กหฮาบดีกลับนิมนต์เราทีหลังพระอคันตุกะกะฮาบดีไม่ได้ให้ความสําคัญแก่เราเลยภายใต้บัญชาการของทิฏฐิมานะกิเลสร้ายนั่นเองพระสุดธรรมจึงกล่าวว่าอย่าเลยกหฮาบดีขอท่านได้เลี้ยงพระอครสาวกและพระอคันตุกะอื่นๆให้อิ่มนําสําราญเถิดอย่าได้ผวองถึงอาตมาเลย อาตมาไม่สําคัญดอกพระคุณเจ้าอย่าทําอย่างนั้นเลยกหาบดีอ้อนวอนอย่าทําให้ข้าพเจ้าเสียความตั้งใจเลยท่านเป็นผู้มีความสําคัญสําหรับอาวาสนี้เป็นอันมากแม้กหาบดีจะอ้อนวอนสักเท่าใดพระสุธรรมก็หายินยอมรับนิมนต์ไม่ในที่สุดจิตะกหาบดีจึงกล่าวว่าท่านขอรับท่านจกปรากฏ ด, ด้วยกรรมของตนเองดังนี้แล้วรีไป วันรุ่งขึ้นกหบดีก็จัดแจงเตรียมทยธรรมเพื่ออัครสาวกและพิสุสงอื่นอื่นอันตนนี้หม่นไว้แล้วฝ่ายพระสุธรรมในเวลาใกล้รุ่งคิดว่ากหบดีจัดแจงสการะอย่างไรหนอเพื่ออัครสาวกเราควรไปดูพร้อมที่จิตอันรุ่มร้อนด้วยแรงฤทิ์ยานั่นเองพระสุธรรมไปเรือนของจิตกหบดีแต่เช้าตรู่กหบดีต้อนรับด้วยกิริยาอ่อนน้อม แด้เชื้อเชิญด้วยวาจาว่าขอนิม น, นั่งก่อนเถิดขอรับแต่พระสุธรรมก็หาเอื้อเฟื้อต่อคำวิงวอนไม่กล่าวอย่างมีโทสะว่าเราไม่นั่งจกเที่ยวไปบินธบาตพลางตรวจดูสการะที่กาบดีเตรียมไว้เพื่ออัครสาวกทั้งสองประสงค์จะเสียสีกาบดีโดยชาติกำเนิดจึงกล่าวว่าสการะไตยธรรมของท่านคราวนี้มีเหลือล้นคาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นอย่างเดียวจริงๆ อะไรหรือขอรับกะฮาบดีถามด้วยความฉงนขาดขนมแหลกงาพระสุธรรมพูดปล่อยออกมาอย่างจงใจเต็มที่ด้วยความรู้สึกว่าพระรูปนี้ควรได้รับบทเรียนอันสมควรแก่ความหยาบคายของตนกะฮาบดีจึงกล่าวตำหนิพระสุธรรมว่าเป็นผู้กล้าเหมือนกาไม่ได้มีกายวาจาใจอ่อนโยนยิ่งสมณะที่ดีทั้งหลายพระสุธรรมโกรธมาก บอกมอบคืนอาวาสให้คาฮบุดีว่านั่นอาวาสของท่านเราจักไปนบบัดนี้จะไม่กลับมายัางอาวาสของท่านอีกก็ฮบุดีพยายามอ้อนวอนพระสุธรรมถึงสามครั้งว่าขอให้อยู่ในอาวาสของตนอย่างเดิมแต่พระสุธรรมหาฝังไม่ท่านละมัจฉิ ก, กาสนไว้เบื้องหลังมึ่งหน้าไปสู่สำนักพระาศาสดาณนะเชตวันารามกลาบทูลเรื่องทั้งปวงระหว่างตนกับจิตาคาาบุดีให้สงทราบ พระศาสดาผู้ทรงไว้ซึ่งพระเมตตาและความยุติธรรมทรงทราบเรื่องโดยตลอดแล้วทรงตำหนิพระสุทธรรมเป็นอเนกประการและตรัสว่าจิตตะคหบดีเป็นอุบาสกที่มีศรัทธามีศีลเธอด่าว่าเขาด้วยคำหยาบคายไม่สมควรแก่สมณะเธอนั่นแหละเป็นผู้ผิดเธอต้องไปขอโทษอุบาสกนั้นเสียดังนี้แล้วรับสั่งให้สงลงปฏิสารณียกรรมแก่พระสุธรรมนั้น ปฏิสารณียกรรมเป็นกรรมอันหนึ่งในประเภทนิหะคือการข่มทิสุผู้ประพฤติไม่สมควรเช่นเป็นคนปากร้ายด่าว่ากระหดผู้มีศรัทธาเลื่อมใสผู้เป็นทายกอุปถาสง์ด้วยปจัจจัยสี่อันเป็นเหตุให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสไม่เลื่อมใสทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้คลายความเลื่อมใสลงสงเห็นสมควรลงโทษเพื่อให้รู้สึกจึงประกาศลงปฏิสารณียกรรม ให้ภิกษุนั้นไปขอโทษคฤือหัดที่ตนด่าว่าเสียถ้าเธอไม่อาจไปขอโทษตามลาพังหรือทําโดยลําพังไม่สําเร็จก็ให้สงสมมุติภิกษุรูปหนึ่งเป็นอนุทูตย ร, รจาความหน้าที่ของอนุทูตคือช่วยพูดเกลี้ยกล่อมให้คฤือหัดให้อภัยจะในนามของตนหรือในนามของสงก็ได้เมื่อตกลงกันได้แล้วรับอาบัติที่ภิกษุนั้นแสดงต่อหน้าเขาแล้วจึงให้ขมา พระสุธรรมเถระกลับไปยังมัชชิกาสนให้จิตตะกะหา บ, บดีอดโทษแต่จิตตะกะหา บ, บดีไม่ยอมอดโทษพระสุธรรมเก้อเขินกลับไปสู่สำนักพระศาสดาอีกความจริงพระตถาคตเจ้าทรงทราบว่าอุบาสกจะไม่ยอมอดโทษพระสุธรรมแต่ทรงดำริว่าพระสุธรรมนี้กระด้าง น, นักมีมา n ะจัดนักมีพระประสงค์จะกำราบให้คลายมาณนะถอนทิฏฐิ จึงไม่ได้ทรงบอกอุบายในการขอขมาปล่อยให้พระสุดธรรมเดินทางไปมาสิ้นระยะทางหกโยน์เพื่อให้เห็นความลำบากในการที่ต้องแบกทิฐิมานะของตนเมื่อพระสุดธรรมกลับไปเฝ้าอีกครั้งหนึ่งจึงทรงประทานพระอนุทูตเพื่อเดินทางไปด้วยก่อนออกเดินทางพระาศาสดาได้ทรงประทานพระโอวาทว่าสมณะไม่ควรให้มานะหรือริศยา หรือความหวงแหนเกิดขึ้นว่าวิหารของเราที่อยู่ของเราอุบาสกอุบาสิกาของเราเพราะเมื่อสมณะคิดอยู่เช่นนี้กิเลสทั้งหลายมีริสยาและมานะเป็นต้นย่อมเจริญขึ้นภิกษุผู้เป็นพานย่อมปราถนาความยกย่องคุณอันตนไม่มีอยู่จริงปราถนาการแวดล้อมจากภิกษุทั้งหลายต้องการความเป็นใหญ่ในอาวาสและการเคารพ บ, บูชาจากตระกูลอื่น นอกจากนี้ภิกษุผู้เป็นพานย่อมมีความปรารถนาเกิดขึ้นว่าขอขลือหัดและบรรพชิตทั้งหลายจงเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ทำแล้วในอาวาสนี้เป็นเพราะเราผู้เดียวทำหรือเพราะอาศัยเรากิจน้อยใหญ่จึงสำเร็จลงได้เมื่อเธอคิดอยู่อย่างนี้ริศยาและมานะย่อมเจริญขึ้น ดูกนผู้สแสวงสันติวรบทพระพุทธภาสิ์ตรัสเตือนพระสุธรรมนี้น่าสนใจมากโดยเฉพาะสำหรับภิกษุผู้เป็นใหญ่ในอาวาสซึ่งมีมาณะและริศยาหรือความหวงแหนออกหน้าในการดำเนินงานภิกษุบางรูปเป็นผู้ไม่มีศรัทธาอันมั่นคงทุศีลสะดับน้อยไม่สงัดเกียดคร้านมีสติไม่มั่นคงมีจิตไม่มั่นคงปัญญาสาม ไม่ได้เป็นขีณาศพแต่ปรารถนาความยกย่องอันไม่มีในตนว่าชะไหนหนอชนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นผูหูสูดสงัดมีความเพียรดีมีสติตั้งมั่นมีจิตมั่นคงมีปัญญาดีเป็นพระขีณาศพดังนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปรารถนาการยกย่องซึ่งคุณอันตนนี้ได้มีอยู่จริงบางคราว เธอมีความปรารถนาว่าชไหนหนอพิสุในอาวาสนี้ทั้งหมดพึงแวดล้อมเราถามเราในข้อกังขาต่างๆเว้นเราแล้วไม่อาจตกลงอะไรได้ดังนี้ชื่อว่าปรารถนาการแวดล้อมจากพิสุทั้งหลายเธอไม่ปรารถนาการบูชาด้วยปัจจัยสี่จากตระกูลของญาติมีมารดาบิดาเป็นต้นเห็นเป็นไม่มีเกียรติไม่เป็นชื่อเสียง แต่เธอปรารถนาการสการะบูชาจากสกุลอื่นโดยเฉพาะสกุลใหญ่ๆเช่นสกุลของพระราชามหาอมาัมมัดหรือเศรษฐีกหา บ, บดีผู้มีทรัพย์มียศและมีชื่อเสียงและมีความคิดอันลามกว่าฉันไหนหนอชนในสกุลเหล่านี้พึ่งถวายปัจจัยสี่แก่เราเพียงผู้เดียวไม่ถวายผู้อื่นดังนี้ชื่อว่าปรารถนาการบูชาจากสกุลอื่น เมื่อเธอมีความคิดอยู่อย่างนี้กิเลสทั้งหลายมีริษยามานะและความหวงแหนเป็นต้นย่อมเจริญแก่เธอส่วนกุศลธรรมมิแต่จะเสื่อมไปพระสุธรรมฟังพระพุทธโอวาทนี้แล้วชื่นชมยินดีถวายบังคมพระบรมศาสดาลุกจากอาสนะกระทำประทักษิณแล้วเดินทางไปยังมัชิ ก, กาสนกับภิกษุผู้เป็นอนุทูตนั้นสแสดงอาบัตตต่อหน้าจิตตขบดี ให้อุบาสกให้อภัยในความผิดพลาดก้าวร้าวแต่หนหลังกิตตคหบดีก็บอกอดโทษพร้อมกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมยกโทษให้ท่านถ้าโทษของกระผมมีอยู่ก็ขอท่านได้โปรดอดโทษให้กระผมด้วยพระสุธรรมเถระรู้สึกตัวแล้วเห็นโทษของทิฏิมานะแล้วตามธรรมดาเป็นผู้มีปัญญาและมีภูมิธรรมอยู่แล้วแต่เพราะทิฏิมานะจับ จึงครอบนำกุโสลธรรมเสียเสมอข้าวอ่อนถูกต้นหญ้าขึ้นท่วมทับเมื่อถอนต้นหญ้าคือทิฏฐิมานะออกได้แล้วต้นข้าวคือกุโสลธรรมก็พลันเจริญงอกงามขึ้นทันทีเพียงสองสามวันต่อมาพระสุธรรมก็สามารถบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายการที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรและมหาโมคคลานะไปมติกาสนนั้น ยังประโยชน์ให้เกิดทั้งแก่จิตคหบดีและพระสุทธรรมด้วยประการชนนี้